ก็เราได้ <c oughs> สวดกันเจบลอยแล้วนะวันนี้เราได้ปฏิบัติก็หลายคนก็รู้สึกว่าจิตนิ่งขึ้นนะเวทนาก็เบาบางนะการที่เราได้ศึกษาเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องพ <c oughs> ิเศษมากนะถ้าหากว่าเราได้ตั้งใจเข้าใจพยายามจะใช้เวลาให้ เข้าใจเรื่องนี้ให้ไวขึ้นเพราะว่ามีเรื่องละเอียดที่เราจะต้องเรียนรู้อหลายอย่างใตอนเย็นนี้ให้การบ้านไปในเรื่องของว่าเรากลังอ่านอยู่ที่เมื่อกี้ยังไม่จบนะว่าัไม่เสร็จไม่หมดว่าตัวรู้เกิดจากอะไรนะซึ่งมาเองได้เตรียมอันนี้ไว้ว่าจะเฉลย อ, อยู่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 เสียงเกิดจากไม้หรือเสียงเกิดจากตัวนี้อ่าอันนี้คือคําตอบเฉลยว่าเสียงไม่ได้เกิดจากตัวนี้และไม่ได้เกิดจากตัวนี้แต่ขณะนี้มีเสียงมาตัวนี้ก็ไม่มีใช่ไหมแต่ที่มันมีขึ้นมานี่เพราะอาศัยอะไรอ่าเพราะอาศัยการกระทบพอกระทบปับ๊บถ้ากระทบ ไม่แรงก็ไม่มีอีกใช่ไหมกระทบไม่ถูกก็ไม่มีอีกกระทบถูกก็เจอจะมีนั่นหมายถึงว่าตัวรู้เนี่ยมันอยู่ที่การกระทบไม่ได้อยู่ที่กายไม่ได้อยู่ที่ใจ <c oughs> <c oughs> เป็นไงวะ <c oughs> <c oughs> อยู่ที่การกระทบนะ อธิบ า, ายชฉยญาตเยิมเลยนะอธิบายอย่างดีเลยนะอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้อธิบายเหตุผลย่า ง, างดีก็หลายฉบับหน้าหน้าฟังนะแต่แต่แตตนี้คือคำตอบคือคำตอบเพราะนั้นตัวรู้มันได้มีอยู่ก่อนและไม่ได้อยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่ไหนพอมีการกระทบปั๊บเหตุปัจจัยทั้งหมดก็มาประชุมกันว่าเพราะมีการกระทา แล้วมีการกระทบะแล้วก็เกิดอาการเกิดขึ้นตรงที่กระทบใช่ไที่เราผัสาะ <c oughs> ถ้าหากว่าไม่มีผัสาะตัวรู้ก็ยังไม่ประชุมรวมกันนึกว่ากัดเเกิดด้วยเหตุและปัจจัยเหตุคือมีการกระทบปัจจัยคือ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 ก็ยังไม่ใช่ตัวรู้เกิดเราไม่มีการกระทบนะแต่ตัวเหตุตัวปัจจัยตัวปัจจัยมันก็คือตัวรูปตัวนามตัวสิ่งที่มากระทบนั่นแหละคือเหตุปัจจัยของมันดังนั้นเองในการปฏิบัติเราจึงต้องมีการเตรียมเตรียมตัวตัว รู้จักเอาไว้เพราตัวรู้มีอยู่แล้วว่าเมื่อมีการกระทบแล้วเราจะจัดการกับตัวรู้ที่เกิดจากการทบนี้ได้อย่างไรเนี่เราจึงเตรียมตัวนี้อันนั้นความเพียรเพื่อที่จะให้เกิดตัวรู้ตัวเนี้ยเราก็จึงทํากันมากพอสมควรโดยที่ไม่ได้เน้นว่าความเพียรเฉพาะที่เรามานั่งทําแต่ว่าทุกเวลานาทีที่มีการเคลื่อนไหวเนี่ย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 <g ül> ก็ได้แต่ไม่ได้หลอกกันนะอันนี้คือความจริงไงที่เรามาดูอันนี้บ้างเพื่อที่สรุปที่เราเรียนรู้วันนี้ว่ามีอยู่สามเรื่องเรื่องอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยว่าเราจะทําตัวเนี้ยตัวที่ว่าเป็นธรรมชาติเนี่ยให้เป็นธรรมสัจจะได้อย่างไรนะ <g ül> ซึ่งตัวนี้เอใช้ชี้ได้หรือเปล่าเนี่ยตัวนี้ได้ใช่ไหมเห็นไหมไป ช, ชี้นี่เจาชี้ที่น่นเนาะ ไม่ได้ชี้ที่จอนี่นะเนี่ชี้ตรงนี้ไม่ได้ไม่ชี้จอรตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นก็เลยว่ามันมีตัวอัอนนี้อยู่ตัวอวิชานะตัววิชาคือตัวนี้เป็นตัวหัวน <c oughs> ในในรูปปฏิจจสมบาทส่วนโมกเนี่ยตัวอวิชาตัวนี้ท่านจ ะ, ะสมมุติเป็นยักษ์ใช่ไหมตัวยักษ์ใหญ่เป็นภาพวงกลมที่ส่วนโมกอะ อตัววิชาเป็นตัวยักษ์เลยครอบงําทั้งหมดอยู่แล้วก็เอามาสมมติให้เป็นอวิชาตัวอวิชาเมื่อมีตัวแต่ละเกิดอณิจังทุกขังหน้าตาเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยเพราะอาวิชามันแต่สําหรับเวทนาทั้ง3เป็นธรรมชาตินะนเวทนาสักสตัวเนี่ยพอมีการกระทบอณิจังทุกขังหน้าตาทํางานปับ๊บ ก็เกิดมีสามอาการ น, นี่อ น, นิจจังสุขเวทนาทุเวทนาอทุกคมสุขเวทนาเนี่ยมันเป็นทั้งเวทนาทั้งสเนี่ยที่มันเกิดกับรูปเนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นวิชาหรืออวิชาอ่าเพราะว่าเมื่อมีสมตัวนี่ทำงานนะตัวอนิจจังทุกขงังตัวอนิจจังกับอนัตตาทํางานอ่าถ้ามันไม่พอดีก็จะเกิดตัวตัวนี้ขึ้นมา ตัวทุกขังนี้ขึ้นมาไอ้ตัวนี้กับตัวนี้เป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่ที่เกิดกับดับนะเกิดกับดับอันนี้จะเกิดกับดับมันไม่สมดุลกันก็ต้องมีตัวนี้ด้วยนะตัวทุกขังขึ้นมาคือ ต, ตัวแปลปรวนนะเมื่อเวทนาทั้งสามที่เราสวดไปเมื่อกี้สุขขังเวทนางเวทียมาโนเมื่อสวยความสุขคําว่าเสวยนี่แปลว่าอะไร แปลว่าอะไรแปลว่ากินใช่ไหมแปลว่าบริโภคในขณะนี้เราบริโภคอะไรอยู่บริโภคสบายบริโภคไม่สบายแล้ ว, ว่าเสวยเรานั่งอยู่เราเสวยความไม่สบายก็แล้ว่าสุขเวทนาเวทนาที่แปลว่าเสวยนะแปลว่ากินแปลว่ารับแปลว่าเสพเวทนาเสพสุขเสพทุก เสพไม่ถูกเศพไม่ทุกนี่พอพอเรามีตัวอวิชชาตัวนี้นะคือไม่รู้เท่าทันควาสุขที่เราไม่รู้มันก็มาเกิดเป็นตัวนี้โสมนัสส์เป็นเวทนาเวทนาทางกายแลว้วควาสุขเวทนาพอเป็นเวทนาทางจิตก็เป็นโสมนัสส์เวทนานะทีถ้าหากว่าตัวเป็นทุกขเวทนาคือความไม่สบายจากการที่เรานั่งไป น, น, นานๆล้วรู้สึก หนักน่วงรู้สึกอึดอัดความไม่สบายก็มาแต่ถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวรู้ตัววิชาไว้ก่อนนะตัวไม่สบายก็เปลี่ยนมาเป็นตัวโทมนานัสสโทมานัสสะเวทน า, นาโทมนานัสสะแปลว่ารู้สึกไม่สบายนะรู้สึกทางใจนะรู้สึกไม่สบายใจแต่ทุกขเวทนาเนี่อรู้สึกไม่สบายกายแต่โทมนานัสสเนี่อรู้สึกไม่สบายใจ สุขเวทนารู้สึกสบายกายโ ส, โสมนัสเนี่ยไปรู้สึกสบายใจพึงพอใจว่างั้นเถอ mm hmm. Sat ye, นะ satisfy พอมาทุขเวทนาก็เป็น unsatisfy ทีนี้ทุกขเวัทุกขมสุขเวทนาบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ใส่ใจมาไม่อยากจะบอกว่าเป็นเวทนากลางๆนะแต่เราไม่ใส่ใจทั้งสุขทั้งทุกข์มันจึงก่อให้เกิด อ, อุเปกราเวทนาที่ว่าแปลว่าเฉยเมยอะ่ะ mm hmm. ใช่ห แป่ว่าเฉยเมย่อุปขาวเวทนาคือไม่ใส่ใจเลยว่าฉันสูงฉันทุกท็กคิดไปเรื่องอื่นพอมันเข้าไปอยู่ในความคิดปั๊บเนี่ยตัวสบายไม่สบายขนาดที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ <c oughs> ไม่มีความหมายนะแต่ถ้าเป็นอทุก ข, ข์มสุขเวทนาคือเวทนาที่ยังไม่แน่ชัด <c oughs> ว่ามันเป็นสบายหรือไม่สบายโดยเฉพาะมันอยู่ในช่วงที่เรากาลังเปลี่ยนใช่ไถ้าว่าไม่สบายพ อ, พอ ช่วงี่เราก็เปลี่ยนปั๊บเนี่ยตัวนั้นตัดสินไม่ได้ว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันเป็นกลางๆลางพอเราเปลี่ยนไปรู้ชัดเบาอันนี้สุขพอสักพักก็ทุกข์ดังนั้นตัวอทุกขก์มาสุขแปลว่าความรู้สึกทางกายที่เป็นกลางกลางคือหมายถึงว่ามันยังไม่ถูกตัดสินน่ะว่าเป็นสบายหรือไม่สบายแต่พอมาอุเปเลขาเวทนาเ น, นี่ยมันเป็นอาการของจิตละ่ะเป็นอาการของจิตเพราะฉะนั้นอาการของจิตที่มันไม่ได้รู้ว่าขณะนี้สุข ก็ไม่รู้ว่ามันตัวเองรู้สึกพอใจก็ไม่ได้ตามรู้ตัวเองรู้สึกไม่พอใจก็ไม่ได้ตามรู้ลักษณะนี้เขเรียกอุเบกขาเวทนาเพราะฉะนั้นต่อมามันจึงมาเปลี่ยนเป็นโมหะได้ไงเพรอมเป็นไปนเหตุกล้าให้เกิดโมหะเพราะตัวไม่ใส่ใจนี่แหละตัวที่เราเพิกเฉยละเลยก็ว่าได้นะ แต่พอรู้สึกพึงพอใจเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ตามรู้อีกน ะ, ะตัวรู้สึกพึงพอใจตัวนี้มันก็มาพัฒนาเราจะเห็นว่าตัวนี้ไม่ใช่แต่เห็นว่าตัวตัวนี้ตัวอภิชาเนี่ยนะมันใกล้เคียงกับว่าอวิชามั้ยอ ภ, อภิชากับอวิชามักครั้งพูดคนที่เขาไม่คุ้นกับภาษาเนี่ยเขาเอะ๊ะ พูดคำเดียวก็ร่อ้าอพิชากับพิชาพูดพิหรืึป่าไม่ใช่นะอ้พิชาตัวนี้แปลว่าติดใจเออนั่งรู้สึกสบายฉันอยากนั่งไปต่อไปอีกหน่อยหนึ่งตอนแรกนั่งเฉยเฉยใช่ไหมพอได้อิงเนี่ยรู้สึกสบายอ้พิชาติดใจว่าได้พิงอย่างนี้คือมันผ่อ น, อนคลายแล้วแล้อ้พิชาอยากจะนั่งให้สบายกว่า น, นั้นแล้วขยับหาถ้าหาทีอยู่เรื่อยเพราะติดใจว่านั่งแล้วสบายพราะมันเกิดไม่สบายขึ้นนิดก็ขยับหาหามุมท่าหาท่ามันละ เปลี่ยนท่านั้นท่านี้ขึ้นมาเพราะอภิชาพอได้ท่าที่ถนัดไปนไงเกิดตัวไห น, นเกิดตัวนั้นทิอยากจะแช่ท่านั้นนานๆเอออยากจะแช่แล้วขยับหาทา่ามันเละเอานั่งท่านี้เขาท่าดีทนันทิพอแช่ก็เพลินพอเพลินแล้วก็อยากจะให้มันออยู่กับสิ่งนั้นหาสิ่งนั้นมองหาท่านั้นมองหาเก้าอีต้ตรงนั้นมองหาที่ตรงนั้น มันก็เริ่มนี้ตัวประกอบขยายมากขึ้นแล้วว่าราคามาละยินดียินดีพอใจมันก็ลุกลามไปเรื่อยเรืนะ่อยนะพอลุกลามมาถึงไหนเฮ้ตรวนี้จะขยับดูหรือเปล่ววาลองขยับดูอ้ไปคนละเรื่องเล ย, เยกลับมาใหม่ถ้าสมมติขยับขึ้นขยับลงทาไงวันนี้เป็นการลองนะทดลองใช้ดูดเทคโนโลยีตัวใหม่อานนี้กลับไป อนี่ใช่ไ้มกาลมะฉันทะทีนี้พอมาเป็นตันหาคือสแสวงหาละตัวพอใจอยากจะได้มากกว่านั้นอพออยากจะได้มากก็เกิดการสแสวงหาเอ้าอี้ตัวนี้นั่งสบายอย่างนี่วางตัวนวดได้ด้วยนอนไปแล้วก็นวดนะกีออ้นวดจากกุยธรรมดาเนี่ยกลายเป็นเก้าุ้ที่มีราคามากขึ้นละต้องหาเงินตันหาละทีนี้ แล้วนั่งแล้วก็รู้สึกว่ามันนวดได้ด้วยนั่งแล้วที่เกาหลีอเมริกานะโยมเขามีอันนี้มุนขงพ่อไปนอนบ้านไปนอนแล้วมันนวดสบายได้ผ่อนคลายเลยนะนวดทั้งตัวทั้งบ่าทั้งไหล่ทั้งไหลเ่เบงต่างโย ถ, ถามโยมซื้อตัวเท่าไหร่สามพันเหรียญหลวงพ่อโอ้สามพหรบ้านเราเป็นแสน น, นะนะไม่มีเงินแสนก็ไปนั่งกูอีตัวนี้แหละนะการมาตัิหามาละ โอ้โหาเงินก็จะได้เป็นแสนใ้เป็นเดือนอะไรนี่นี่เนยมันก็ทุกยากเพราะการมาตัญหาผู้ใหญ่ก็ได้ตัวนี้ลาบากทีนี้แต่ซื้อมาแล้วรู้สึกใช้ไม่ดีเลยนะไม่น่าซื้อมาราคาทั้งเป็นแสนใช้ไม่ดีอยากเอาไปเปลี่ยนไม่รู้สึกไม่พอใจเป็นวิภาะใช่ไหมไม่ต้องการจะมาเป็นตัวนี้วิภาะแปลว่าตัวไม่ตัวเนี้ย หมายเขาว่าการมตัญหาเนี่ยเสาะหาได้มาถ้าหากรู้สึกมันดีก็เกิดภพะวตัญหารู้สึกว่าถ้ามันไม่ดีก็เกิดวิภวตัญหาความรู้สึกวิภวความความรู้สึกที่ไม่ไม่พอใจก็เป็นภพะวตัญหาดงนั้นภพะวตัญหาหมายเขาว่าถ้าเรารู้สึกพอใจเราก็แช่ในความอบใจก็เป็นภพะวตัญหารู้สึกไม่พอใจแช่ในความไม่พอใจคิดแล้วคิดอีกจะไปเปลี่ยนเมื่อไหร่เปลี่ยนได้ที่ไหนขณะที่คิดอยู่อย่างนั้นก็เรียกเป็นภพะวตัญหา ตัวภาวะตัณหาจึงเป็นได้ทั้งสองทางจะแช่อยู่ในความพอใจแช่ในความไม่พอใจขณะที่เรากำลังขุนมัวคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้อยู่ใยความไม่พอใจเนี่ยก็เป็นภาวะตัณหานะด้วยสาเหตุเพียงประการเดียวว่าเราไม่มีสติตามรู้ความสบายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะมันลุกลามไปเรื่อยๆแตกงอกออกลากไป <c oughs> ยาวนะยาวเฟื้อยเลยนะ ไอ้งนี orm, เ้เราค่อยักไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ว่า ก, กดทางไหต่ออ่ آ, กากรมะฉันทะเคยได้ยินคํานี้ไหมตัวไอ้การทาเนะี่ยตัวกรมฉันทะได้เป็นตัวที่หนึ่งของนิวรังห้าใช่ไหมการมฉันทะคื อ, ต, คอนะตัวใครอยากนะตัวใครอยากเวลาไม่พอใจก็ใครอยากจะเปลี่ยนเวลาพอใจก็ paint, ใครอยากจะได้ให้มันอยู่กับเรานานานการมฉันทะที่เนี้ย ทีนี้ทำไมมนจึงเป็นตัวนิวร์เป็นตัวที่หนึ่งกรมะฉันทะตัวนี้นะซึ่งมันเป็นตัวที่เราคุ้นถ้าจะแปลในภาษานิวร์แปลว่ามีความมีความอยากจะได้ความสุขที่ปฏิบัติธรรมก็เนื่อว่ามันอยากจะได้ความสุขพอปฏิบัติแล้วโอ้มันทรมานเหลือเกินนี่ทรมานเันก็เกิดการไม่พอใจเกิดการ ขี้เกียจขึ้นมาก็จะมีตัวตรงกันข้ามเขาพยาปาทะใช่ไหมยาปาทะมิกี้ตัวนี้โทมนานัสปฏิฆะมันต้องมาปฏิฆะก่อนถ้าหากว่าไม่ได้อย่างใจเนี่ยมันก็เกิดปฏิฆะเราไม่สบายใจก่อนว่าเ อ, อปฏิบัติแล้วอยากจะให้มันสบายอยากจะให้มันสุขมาปฏิบัติทำนี่ไม่ได้มาทุกข์นะ กามาสุแต่ไม่มสุขไม่ได้อย่างใจมันก็เกิดปฏิฆาปฏิฆาตัวเนี้ยอาชิตเทช์ปฏิฆาแล้วก็ตัวฮอโมนัดความไม่สบายใจแล้วก็ความขุ่นใจมันตรงข้ามกับมื่กี้ตัวกรารมาจันทะไม่ได้ต่าสนองมันจะมาเกิดตัวนี้คือพยาพาทะคือความขัดเคืองน่ว่าขัดเคือง คุณคล่องขัดเคืองแล้วก็ใจไม่ดีนี่ขัดเคืองคุณคล่องขัดเคืองใจแล้วก็ใจไม่ดีก็มาเป็นโทสะอามานะก็เกิดการดื้อแพ่งขึ้นมาฉันไม่อยากทําไม่เอาใครจะว่างไงฉันมันก็เกิดพัฒนาขึไปเรื่อยๆขณะที่ภาวะจิตเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ได้สติเพราะว่าเนื่องจากว่าเรายังเฝ้าดูจิตไม่เป็นดูอาการของจิตไม่เป็น แต่พอเราเจริญสติบ่อยเข้าบ่เข้าแล้วก็เฝ้าดูอาการเหล่านี้พอเฝ้าดูอาการเหล่านี้ปั๊บมันจะเปลี่ยนนะมันก็จะเปลี่ยนแต่ที่เราว่านึกฝ่ายเกิดใชก่อนฝ่ายที่มันเกิดทุกข์ก่อนนะที่นันทิตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นตัวอะไรดูน่ะนันทิเปลี่ยนมาเป็นน่ะกรมวิันท่านะว่าในฝ่ายสุขเวทนาให้สุดก่อนนะว่ากรมวิันท่าแล้วก็พัฒนามาเป็นโลภะ หมายความว่าโลกอยากจะได้พอวันนี้ได้ปีติอยากจะนั่งยาวๆอยากจะไม่อยากจะเปลี่ยนท่าก็อยากจะได้ความรู้สึกอย่างนั้นต่อไปอีกแล้วก็ยึดว่าเวลาปฏิบัติทุกครั้งต้องได้ปีติต้องได้ความบาวสบายนะถ้าไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่อันนี้ก็ยังเป็นการมุ่ป้าานละคือคืออยากจะได้อยากจะยึดเอาไว้แล้วก็ทุกครั้งกลายเป็นความอยากเป็นอนุสัยเป็นสิ่งที่เป็นตก เป็นตะกรอนไปละนะราคานุตใสจนเป็นกามาสวะเพราะนั้นตัวนี้เป็นกิเลสอย่างหยาบก็คือตัวตัวตันหานี่นะแบ่งเป็นกิเลสอย่างกิเลสอย่างหยาบนะถ้าหากในฝ่ายตัวของอทุกเวทนาเนี่ยก็คือตันหานะราคะกิเลสอย่างหยาบตันหากิเลสอย่างกลางนะในฝ่ายที่เป็นในจังนะ แล้วก็กามาสะวะ ต, วตัวตัวล่างสุดน่ะเป็นกิเลสอย่างละเอียดนั้นกิเลสใ้ฝ่ายอนิจจงนะตัวนี้ก็พัฒนามันมีกี่ตัวน่ดูนะตั้งแต่แรกมา 1. สุขเวทนา 2. โสมนรราศเวทนา 3. อภิชา 4. ีนันทิ่ 5. ราคะ 6. ตัณหา 7. กามาตัณหา 8. พดวตัณหา 9. วิปวตัณหา 10. กามฉันทะ1ิโลภะ12กามุปทาน13โลภานุสัย14ราคารสสิบหกามาสวะเห็นไรากมันยืดออกไปเป็นรากฝอยอ่ ะ, อะเป็นรากฝอยแล้วก็ลดน้ํามาทุกวัน <c oughs> คือหมายความพอใจนั่นแหละคือความพอใจนี่คือการลดน้ําพอใจครั้งหนึ่งก็ลดน้ำครั้งหนึ่งลดน้ำครั้งหนึ่งงากรากพวกนี้ก็งอกไปครั้งหนึ่งเราอยู่บ้านแล้วก็ลดน้ํามาเรื่อยๆนะ นั้นในฝ่ายนี้ก็จึงเป็นเหตุให้เกิดตัวทุกข์ยากลำบากมากมายทุกวันที่เราทุกเรื่องนั้นเรื่องนี้เนื่องจากว่าเราไปยึดติดความพอใจมันจะต้องมีผลตีกลับอย่างว่าอย่างที่ได้กล่าวไปตกอบวันน่ะถ้าหากเราพอใจมากๆพอไปกระทบอีกฝ่ายหนึ่งก็ความพอใจมากๆน่ะมันเกิดเป็นความไม่พอใจมากๆ ที่เราเป็นสุขมากๆเนี่ยใครมีสุขมากมเราก็จะไปอิจฉาเพราะมันตีกับก็ก็เป็นทุกข์มากๆเหมือนกันสุขก็จะตายพอเวลามันทุกข์ขึ้นมาทุกข์ก็จะตายเหมือนกันเหมือนกันแหละมันมันสุดขั้วอันนี้เป็นตัวอย่างเป็นฝีมือของน้องอะไรระดาวันเนาะทำบอกว่าเราหมู่ธนาสาธุความตั้งใจของเธอเธอเสียสละทั้งวันเลยนัมาทำเรื่องนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์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 ที่เราพอใจรากเงาและรากฝอยของความพอใจ mm. ก็จะแยกมาเป็นอย่างนี้เป็นการมาชันท่โลภะอุปาทานาเป็นโลภเป็นร า, าคะอะไรมันก็จะงอกขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันก็จะออกมาแง่ของความคิดเวลาเราชอบใจอะไรหนึ่งก็จะคิดถึงเรื่องนั้นชอบผ้าอยากจะได้ผ้าคุณนั่นเลคิดแต่เรื่องผ้าตอนนั้นเนี่ยมันก็นงอกไปเรื่อยๆ อยากจะได้รถคันนี้มันสวยก็คิดแต่เรื่องรถก็จะได้เงินมาซื้อรถคันนี้ได้ยังไงไปชอบบ้านหลังหนึ่งคิดจนได้บ้านไปชอบผู้หญิงผู้ชายคนหนึ่งก็คิดจนกระทั่งได้ผู้หญิงผู้ชายมาอยู่ด้วยใช่ไหมเนี่ยมันก็จะและงอกรากเราซึ่งเงินเป็นเรื่องที่ไม่คุ้มกันน่ะที่เราไปลดน้ําตัวความพ่อยใจจนกระทั่งว่าสิ่งเนี้มันก็มาผูกพันเราจนกระทั่งเราไม่มีอิสระ ไม่มีอิสลาภาพด้วยกันรดน้าดังนั้นความยินดีพอใจนั้นมันก็มีผลให้เราติดต่อเมื่อมันเกิดพิษขึ้นมาต่อเมื่อสิ่งที่เราติดมันแยกตัวเราไปนั่นแหละความทุกข์คมเนือเกิดนั้นเวลาเราปฏิบัติท่านก็ม่ให้มารู้แค่สองเรื่องเนี่ยที่เราสวดไม่ขี้ใช่ไหมวินัยยะโลเกอภิชาโภมนัต อภิชาคือความพอใจโทมนัสคือความไม่พอใจให้ตัดแค่สองเรื่องนี่นะวินัยะวินัยะแปลว่าขาจัดตัดออกเอาออกซะที่เรามาเจริญสติในดูกายดูเวทนาดูจิตดูอารมณ์เนี่ยเพื่อจะเอาสองเรื่องนี้ออกเพราะมีสองเรื่องนี้เรื่องมันถึงเกิดใหญ่โตมโหลานตลอดชีวิตของเราแต่เรามันก็ตัดมันยากแต่ท่านบอกว่าไม่ต้องตัดใช้วิธีเพิ่ม สมมุติว่าน้ำแก้วหนึ่งมียาพิษอยู่ในแก้วเนี้ยถ้าเรากินแล้วก็จะตายหรือป่วยแต่เราจะทำยไงให้เป็นยาพิษเนียให้มันหมดสภาพนั่นก็คือเติมน้ำเปล่าลงไปถ้าหนึ่งแก้วยิงเข้มอยู่แก้วที่สองที่สามที่ ส, สี่ที่ห้าเติมไปหนึ่งร้อยแก้วหนึ่งพันแก้วเนียยาพิษในแก้วนั้นไม่เสี่ยง ตายแล้วดีวิฎีการปิญาบำรุงน ะ, ะยาพิษบางตัวพอเจียจางแล้วพอดีกายปญญาบำรุงไว้ก็มีเหมือนกันเรารู้ว่ามีความพอใจที่เข้มข้นเราก็เอาตัวรู้สึกตัวเนี่ยไปเจียจางเยอะๆที่เราสร้างเยอะๆเพื่อะ เ, เพื่อเตรียมไว้เพื่อจะไปเจือจางความเข้มข้นของตัวพอใจและไม่พอใจที่มันเคยมีนั้นเราเห็น ว่าผู้ทีเจ้าท่านมีเมตตากรุณาต่อคนก็ไม่ใช่ว่าท่านาจะไม่รู้สาเหตุสาเหตุว่าการที่คนเราไปพอใจเนะี่ยท่านเห็นว่าพวันหนึ่งนะมันตีกลับเนี่ยไอ้ความไม่พอใจอยุงรุนแรงมันก็ามาท่านจึงเฉยๆกับความพอใจไม่พอใจเพราะว่ามันเหตุปัจจัยของกันและกันเพรา ะ, ะนั้นความรู้สึกเฉยๆรู้ว่ามันอร่อยก็ให้รู้สึก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 มันก็เป็นตกเป็นกฎของใตรักคือจะต้องเปลี่ยนแปลงต้องเก่าต้องเสียโทรศัพท์เครื่องนี้ซื้อมาทั้งหลายหมื่นนะวันหนึ่งมันเกิดมีปัญหาขึ้นม า, อ, าอ้าวโอเสียดายเสียใจไปหลายวันข้อมูลทั้งหมดด้วยไหนหมดหายหมดเลยใช่ไหมนนโอ้ข้อมูลเลยล่มสลายหมดเลยนะแล้วก็เกิดความเสียใจเป็นเรื่องปเป็นราวเลยจะฟ้องจะร้องเออกันอะไรเนี่ยเห็นมันก็จะตามมาในความพอยใจอันนั้น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 ไม่ได้พึ่งเอาปืนปังฉลานะชาวมี่แล้วจี่เาะเขามาตัวเองตายอันนี้ก็ความพอใจที่สั่งสมมาว่ามีพลังใช่ไหมพอมันตีกลับเป็นความไม่พอใจก็อยู่ไม่ได้เลยต้องฆ่าตัวตายในขณนะนั้นดังนั้นเองในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยรูา้มาว่ามันจะทำยังไงเราจึงจะปลูกฝังเรงนี้กันแต่เล็กๆเพื่อที่โตมาแล้วมันจะได้มีโอกาสได เชื่อใจเรื่องนี้มันเบาบางลงบ้างนั้นความเจริญของวัตถุเนี่ยมันไม่ดีตรงที่มันไปเพิ่มเติ ม, ตมความพอใจให้สูงขึ้นแล้วมันก็กลายเป็นธุรกิจการค้าของนักแสดงนักการค้าทั้งหลายที่ทำเงิจะให้เกิดความพอใจเหมือนเราติดรัดาหารแล้วก็เกิความพอใจอาหารตัวเองปรุงที่บ้านมันไม่อร่อยใช่ไหมเราก็ไปกินอาหารนอกบ้านเพราะ แล้วคนที่เขาขายอาหารเขานึกถึงสุขภาพของเราไหมไม่นึกถึงเขานึกถึงอะไรของเรางเงินในกระเป๋าของเรามัน <c oughs> <c oughs> จะได้แพงขนาดไหนเนะีเสร็จแล้วเราก็ไปเสียเงินเสียทองแล้วก็เสียสุขภาพก็สิ่งอันนั้นนนันเองหลังจากที่เราปฏิบัติทำแล้วแล้วเราค่อยหยิบสิ่งเหล่านี้มาพิจารณาทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่า ง, างเราก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงแค่เห็นรูปนาำเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงแล้ว เปลีป่ยนแปลงระดับที่หนึ่งว่าเรารูปกับนามกายกับใจของเรานี้ได้มาด้วยวิบากกรรมที่เป็นอกุศลแต่ทีนี้ไหนไหนมันเป็นอกุศลแล้วก็เปลี่ยนแปลงให้เป็นกุศลได้ไหมและเอารูปนามเนี่ยมาสร้างกุศลด้วยการมาสร้างสิ่งแรกที่สุดคือมาสร้างดวงตาก่อนแต่ดังที่เราไปเห็นในสิ่งที่มันเป็นอ า, อากุศลทั้งหลายเนี่ยเพราะเราไม่รู้จัก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 เป็นเราเป็นที่รักของเราใครมาทำให้เราไม่พอใจไม่ได้เราก็จะไปยืดเป็นของเราแต่พอเรามาปฏิบัติเราเห็นว่าเอ๊ะมันไม่ใช่เราเนี่ยมันเป็นของธรรมนชาติที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็เข้าไปบริหารจัดการให้รูปนามเนียมอีอะไรมีประโยชน์ขึ้นมาใช่ไหมมันไม่สบายก็ทำให้มันสบายขึ้นมาบ้างล้วก็รู้ว่ามันไม่สบายเพราะอะไรเพราะเราไปตอบ สนองความอยากของเรามากเกินไปต้องทํางานหามลูกหามข้ามต้องเรียนกันทั้งวันทั้งคืนเรียนตั้งแต่เล็กๆเลยนะเพื่ออะไรเพื่อจะหาวัตถุมาตอบสนองความอยากเดียนลงทูบังข้าเรียนที่ได้อนุบาลนนะ่ะเด็กแทนที่จะได้โตตามธรรมชาติใช่ไหมต้องตอบสนองความอยากของพ่อแม่อีกเรียนตั้งแต่สองสามขวบขึ้นไปเนะเด็กก็คอยถูกเบียดเบียนเขาไม่ได้เติบโตตามธรรมชาติแล้วดังนั้นเราสืบสาวไปให้ดีว่า รากรูทของความพอใจเนี่ยมันกินลึกมากเลยนะถ้าหากว่าเราจจัดการเรื่องความพอใจได้อย่างเดียวความไม่พอใจก็จะหายไปเป็นไม้กระเดื่องเนาะพอเราเหยียบทางนี้ทางนู้นก็ขึ้นใช่ไหมถ้าเราไม่เหยียบตรงกลางทางนี้ก็ไม่ขึ้นทางนี้ไม่ทางนี้ไม่ลงทางนั้นมันก็ไม่ขึ้นใช่ไหมถ้าที่ไหนลงทางนู้นก็ขึ้นเราไปจมอยู่ความพอใจความไม่พอใจก็ขึ้นมาลอยจังหวะแล้วพอเราไปทางนี้ปั๊บมาทางนั้นก็ขึ้น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 ในใจของเราจริงๆมันคืออะไรเจาะลึกสแกนลงไปเอ็กซเรย์ลงไปดูเท้าแต่หัวจุดเท้าเห็นเห็นอาการเห็นอาการไม่ใช่เห็นไอสิ่งที่เป็นวัตถุนะไอการที่จะตรวจสองลงไปไม่ได้เห็นว่าอันนี้ผมคนเล็บฝันหนังอันนั้นอีกความหมายหนึ่งเป็นแง่ของสมรรถะแต่แง่ของสมรรถะห้เห็นอย่างนั้นก่อนว่าผมเป็นอย่างนี้คนเป็นอย่างนี้เล็บเป็นอย่างนี้ฝันเป็นแยกออกมาอันนัก็เรียกเป็นสมรรถะ แต่ในแง่วิปัสนาท่านให้ดูอาการทั้งหมดเนี่ยมันมีสาบสองชิ้นประกอบกันเข้าอาการมันมีอยู่แค่กี่อย่างก็มีแค่สอาการใช่ไหมอาการสบายไม่สบายแล้วก็ยังไม่แน่ว่ามันสบายหรือไม่สบายไปดูอาการทางกายก็มีสาไปดูอาการทางจิตก็มีสามคือความพอใจไม่พอใจแล้วก็ไม่ไม่แน่ไม่รู้ใจทั้งสอาการถ้าหากว่าเราเรียนรู้ความ สบายไม่สบายของทางรูปเราก็จะได้อารมณ์สมถพะพอเราไปตามรู้ความสบายไม่สบายแล้วเฉยๆของใจหรือนามเราก็จะได้วิปัสสนาก็จะเรียนรู้ไปพร้อมกันทั้งสมถะวิปัสสนาถ้าหากว่าในใจของเราไม่มีความคิดไม่มีอารมณ์ไม่มีปัญหาอะไรเราก็มาดูความสบายไม่สบายของกายเพื่ออะไรเพื่อให้เป็นที่ตั้งของจิตเพราะฉะนั้นวิธี การหลวเทียนเนี่ยพยายามจะรวมสมถะวิปัสนาเป็นเรื่องเดียวกันอืเพราะในช่วงไหนที่ไม่มีปัญหาทางจิตเราก็มาดูกายทําสมถะไปเรื่อย ๆ, ใ น, นาาอยๆในช่วงไหนมีปัญหาทางด้านอารมณ์และจิตเราก็ไปแก้ไขตรงนั้นแล้วก็กลับมาอยู่กับกายใหม่เพราะกายมันมีปัญหาตลอดเวลาใช่ไหมปวดมันเมื่อยมันแปรปวนตลอดเวลาเราก็เอาจิตมาเกาะเกี่ยวกับมันในที่สุดพอจิตของเรามาคุ้นเคยว่า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 เราต้องเลี้ยงดูเราต้องบริหารจัดการตั้งแต่ตื่นนอนจนตั้งแต่ตื่นนอนจน ท, ทั้งวันบริหารจัดการเรื่องร่างกายเนี่ยไม่เคยจบใ้ที่สุดมันจะเกิดปัญญาอุ้ง้างหน้าเบื่อเนาะมันก็ค่อยแต่เมื่อก่อนมันมน่ารักใช่ไหม <c ười> น่ารักนารลอมคอยตกแตง่งคอยดูแลแต่มันก็ไม่เคยจบเราจะแต่งมันดีขนาดไหนมันก็มันก็เปลีป่ยนแปลงเสริมสวยข้าง้งละหลายหมื่นหลายพันวะ ก็หมดเงินไปมันก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมนั่นแหละในที่สุดมันก็เกิดปัญญา อ, อ, อูไม่เหนื่อยกับมืออีกแล้วมันมียังไงก็ไปอย่างางั้นแหละนะเอาแค่พอดูได้ก็พอไม่ใช่เกิดปัญญาแล้วก็ยอมรับความจริงเดี๋ยวเมื่อก่อนนี่เราไม่ยอมรับความจริงใช่ไพยายามพอกพยายามพูนพยายามเรื่องเสื้อผ้าเรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวมันหนักมันเหนื่อยหาเงินเพื่อจะพอกพูนในสิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่ยในที่สุดเราก็เริ่มมีปัญญาเกิดปัญญาขึ้นเรามา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 เห็นภาพชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นตัวอย่างปัญญามันก็เกิดดังนั้นลักษณะที่เรากำลังดูเฝ้าดูสึกฝนเรื่องนี้มันไม่สบายแบบเขาเรียกว่าาตาปีหรือตบากมันเบื่อมันเซ็งมันร้อนมันหนาวมันขี้เกียจมันปวดมันเมื่อยเราต้องทนอ่ะเพื่ออะไรเพื่อจะเผาผ่าญความรู้สึกสองประการคือความรู้สึกพอใจกับไม่พอใจ ให้มาดูเป็นความรู้สึกเฉยๆถ้าหากว่าเราไม่ทําอย่างนี้ยจิตเราก็ตกไปเป็ น, าน่าตุขความพอใจไม่พอใจทําความอยากแต่พอเรามาจุดจอดต่อนึ่งเหล่าเนี้ความพอใจไม่พอใจมันก็ถูกเผาถูกล้นถูกจิตเราเริ่มนิ่งเริ่มเฉยอะไรมากระทบกระแทกให้พอใจก็รู้เฉยๆอะไรมากระทบกระแทกให้เกิดความไม่พอใจก็รู้สึกนิ่งเฉยเพราะว่าจิตเราเป็นสมาธิละเนี่ย ดังนั้นการที่เรานั่งทํานานๆเ น, นี่ยมันมีผลนะไม่ใช่มีผลมันเรานั่งตอกหลักปอกปอกปอกตอกแต่ละครั是是้ง <c ười> มันก็ลึกลงไปลึกลงไปใช่ไหมเมื่อยกแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ตอกย้ําความรู้สึกสัญญาของเราเป็นสัญญาใหม่นะสัญญาที่ซื่อตร ง, ตรงๆเฉยๆไม่เป็นสัญญาของความเป็นท่านว่าเห็นสัญญา3ามประการหนึ่งให้เห็นเป็นอันนี้จกสัญญาย้ําว่าสิ่ง สัญญาว่ามันไม่เที่ยงนะสองเกิดทุกขสัญญาเห็นว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นดีตั้งของทุกข์สมให้เห็นเป็นอนัตตสัญญาเพราะสิ่งเนี่ยมันไม่มีสาระแก่นสารที่แท้จริงมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลาสร้างสัญญาใหม่ขึ้นมาสัญญาเก่ามันเป็นสุขสัญญาใช่ไหมราคสัญญาโทสะัญญาโมหสัญญาเราไปเปลี่ยนสัญญาตัวนั้นมาเป็นตัวทุกขังอนิจังอนัตตาสัญญาเสีย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 แต่ทั้งทั้งหมดทั้งสามอย่างเราเรียนแค่อย่างเดียวนี่ก็พอคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นพุทของอนิจจังเพราะฉะนั้นสามตัวนะอนิจจังทุกขังอนัตตาตัวที่สําคัญที่สุดคือตัวอนิจจังเพราะไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาจะมีไหมไม่มีนะเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้เรื่องอนิจจังให้ให้ละเอียดใชตัวราคะโทสะโมหะถ้าจัดการราคะได้ตัวเดียวเนี่ยโทสะและโมหะก็ถูกจัดการไปด้วยนะเพราะฉะนั้นตัว ตัวราคาไม่อนาคามีถึงจะละได้นะราคานี่นะพอละตัวนี้ได้โทรศัและมือออท่านก็บาบางแล้วนะทีนี้พอมาดูฝ่ายตัววิชาบ้างอันนี้จังเปลี่ยนมาเป็นศีลนะอ่าเพราะอะไรตั้งกล่าวไปว่าความรู้สึกสบายความรู้สึกสบายแปลว่าปกติปกติแปลว่าศีลศีลที่เกิดได้ก็เกิดจากการสำรวมระวัง ไม่ใช่มันจะเกิดได้เองสําลวนระวังตาหมมูจมูกลิ้นกายใจเมื่อก่อนมันเคยแส่สายไปทําความรู้สึกพอใจเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ให้มันแส่สายไปนะเป็นอีซีสังวรต่างหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกีรตก็รู้เฉยๆนะปฏิโมกสังวร น, นะตัวนี้รู้สึกเราจะไม่คุ้นนะตัวนี้ปฏิโมกสังวรตัวตัวนี้ใช่ไหมอีซ e. ีสังวร น, นี่หมายถึงว่าระวางตาหูจมูกลิ้นกายใจ แต่ว่าปฏิโมกสังวรเนี่ยหมายควม่ามันจะต้องมีระบบระเบียบนะออมาที่นี่เขาให้ระวังเรื่องหนึ่งอย่าให้พกโทรศัพท์อย่างเี้แล้วก็เป็นปฏิโมกสังวรอ่านะสองเวลาอยู่ด้วยกันก็อย่าคุยกันเสียงดังอ่าพ่อเพื่อนที่นอนใกล้ๆเขาจะรำคาญเอาตรงนี้อ่า3เวลาอ่ามีการจัดการเรื่องนั่งเรื่องอะไรต่างก็ต้องระวังนะไม่ให้มันกระทบกัน เงินซึ่งกันและกันแล้วก็มีศรัทธาเนี่ยตัวนี้มีศรัทธาก็าเกิดปฏิโมขสองวอนโอมาอยู่ด้วยกันมีระบบระเบียบดีก็เกิดความรู้สึกสบายปลอดภัยแล้วก็สงบเรียบร้อยเกิดความพอใจมีความศรัทธามันก็เกิดปัญญาขึ้นมาคือโยนิสมวณสิการและกายยสุจริตก็เกิดขึ้นคือความบริสุทธิ์สะอาดทางด้านร่างกายวาจาและจิตการจะพูดอะไรก็รู้สึกเออเป็นศีลเป็นธรรม การจะทำอะไรก็เป็นสิ่งไปทาการจะคิดอะไรก็เป็นสิ่งที่เป็นกุศลสุจริตสามก็เกิดขึ้นนะในส่วนนี้แต่ว่าในส่วนต่อมันคืออะไรผมว่อยังไม่คุ้นนะต้องขออภัยด้วยกดหน้าคุดหลังกดใช้กดข ว, วอาอาโลพาดุใส่แบ็กอาไปคนเรื่องเลยต้องขออภยัยในความไม่ปลอดภยัย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 ถ้าหากว่าทนได้น้อยๆเรียกว่าขณิกะสมาธิรู้สึกทนได้มากขึ้นยาวขึ้นแล้วอุเบจระสมาธิแล้วว่าทนจนเป็นเกิดจะเป็นธรรมดาไปะละเรื่องเนี้ยไม่ต้องแทบจะไม่ต้องทนนะเรียกอัปปนาสมาธิเนี่ยคนนั้ตัวทนทนอย่างพอใจนะทนแบบที่วขันตินะไม่ใช่ขันแตกนะ ถ้าทนแบบขันติคือทนแบบขันติปรามังตโปตีติขาใช่ไหมไปเลยส่วนขันติคือความบดกัน้นเป็นทำเครื่องเผากิเลสเผาความพอใจไม่พอใจทิ้งไปพอความไม่พอใจถ้าหากว่าขนาดที่เราทนจนรู้สึกว่าความพอใจก็ไม่มีความไม่พอใจมีเพิ่งเฉยเฉยมันเป็นชาติที่สามเลยนะละสุขละทุกข์เสียได้ละความพอใจและความไม่พอใจเป็นชาติที่สามเลยเดียว เพราะนั้นในปฏิบัติวันนี้บางคนบอกเอมีฌานหรือเปล่าฌานไม่ได้หมถึงว่านั่งหลับตาสงบนิ่งดิ่งดับไปไม่ใช่อย่างนั้นนะฌานหมายถึงว่าจิตของเราหนึ่งไม่มีวิตกวิจารไมมีความปูงแต่งในใจสองก็คือมีสติสัมยะชัดเจนสคือละความสุขความทุกข์ความพอใจไม่พอใจเสียได้ฌานที่สี่ก็คือมีความรู้สึกตัวโทีวพร้อม้วจิตนิ่งๆเฉยๆรู้เฉยๆนะเป็น ทะลุถึงฌานที่หนึ่งหรือฌานที่4ี่เลยนะแต่คุณไม่ต้องไปนั่งหลับตาอย่างที่เขานั่งทำ ก, กัก็ปฏิบัติอย่างเงี้ยมันไปแค่หนึ่งหรือฌานที่4ี่ทีเดียวเพราะว่าอะไรนิยามของฌานที่สี่คือมีสติเลิกเปขายใช่ไหมคือมีความรู้สึกซื่อๆความไม่สบายมากกว่าเฉยๆความรู้สึกคิดมากกว่าเฉยๆไม่ใส่ใจกับมันเป็นฌานละนะเพราะฉะนั้นในขณะที่จเจริญสติ เฉพาะมีสติสัมปญญะรู้ตัวไปมามันก็เป็นชั้นที่3แล้วละสุระทุกข์ได้ด้วยดังนั้นอย่าไปสงสัยนะทั้งทั้ง3ามขั้นเนี่ยทั้งคณิกะสมาธิวจารสมาธิอัปนาสมาธิแต่เราไมไ่ได้เอาหลักปริยัตมายืนยันเพราะมันเกินจําเป็นแต่เอาตัวสภาวะมาก็พอแล้วว่าทําไปสักพักหนึ่งเรื่องวิตุกิจเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เริ่มหายไปแล้วใช่ไหมจากนั้นพอมันมีสมาธิแล้วก็เริ่มเออความเพียรก็เริ่ม เข้าที่เข้าทางนะวิริยะเกิดความปร่งเบาสบายเกิดปีติปัสสติก็สงบระงับไม่กวนกระวายไม่แสบสา ย, สายไม่ฟุ้งซ่านจิตเริ่มนิ่งเริ่มเบาสบายเป็นปสัสสตินเนี้ยก็เนื่องจากว่าเรากําหนดรู้ทุกข์นั่นแหละมันก็ออกมาเป็นอย่างนี้แหะเอาเป็นตัวสมาธิตัวปีติตัวปัสสติของมันเองนะแต่พอเกิด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 การที่เราเปลี่ยนีบทเป็นช่วงสาคัญมากเป็นช่วงเชื่อมต่อระหว่างสุขะทุกเชื่อมต่อกันเขาเรียกอัตุกรรมสุขถ้าเราเห็นตรงนั้นได้ทุกครั้งเนี่ยเรียกว่าปัญญาเกิดทุกครั้งเลยได้ตั้งใจดูมามในช่วงเปลี่ยนเนี่ยไม่อะพลิกปั๊ไปเลยน ะ, ะไม่เห็นช่วงต่อเลยมันเปสบายก็เป็นไม่สบายไม่สบายก็เป็นสบายไปเลยแต่ช่วงต่อระหว่างสบายไม่สบายเนี่ย ช่วงต่อระหว่างความพอใจไปสู่ความไม่พอใจเคยเห็นมันไหมก็ยิ่งยากเลยใช่ไหมขนาดตัวที่ความสบายเมื่อสบายที่เป็นรูปธรรมแล้วก็ยังดูยากอยู่แล้วนะพอจะรู้อีกทีนึ่งเออไม่พอใจแล้วมันเปลี่ยนไปตอนไหนก็ไม่รู้นะแต่ถ้าเราตามดูมันโดยแยบใครเนี่ยเราก็จะเห็นพอเราเกิดปัญญาสามประการก็เกิดสมาธิถิคือเห็นถูกล้ว่วาอ๋ออันนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ละเวลานะมันหาสภาวะที่แน่นอนไม่ได้เลย ความสําคัญผิดที่คิดว่าเรามีตัวตนมันเริค่อยเบาไปเบาไปจากสักยะทิฐิก็เปลี่ยนมาเป็นสมาทิฐินะ้วยอัตโนมัติเพราะอะไรเพราะเมื่อก่อนเราไม่เห็นชัดเจนเราเห็นเป็นผู้หญิงผู้ชายเห็นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นคนนั้นคนนี้ไปตลอดเวลาตอนหลังมาพอเรามาเจริญภาวนาแบบนี้ไปเราก็เห็นตัวตนนี้อ้อมไปที่ตั้งของความเปลี่ยนแปลงความแปรปรวนความแตกดับตลอดเวลาแล้วมันก็ตอกย้ําสัญญาตัวนี้เข้าไปเรื่อยๆ ควาสัญญาตัวเก่าของเราที่คือสําคัญว่าเป็นดุด่นเป็นแท่งเป็นเขาเป็นเราเป็นสวยเว็งามเป็นอะไรต่างๆมันค่อยลดความสําคัญลงไปนะความสําคัญผิดก็กลายเป็นความสําคัญถูกก็คือสมาสังกปะคิดถูกแล้นะแล้ต่อไปเราก็วางเฉยต่อตัว ต, ว ต, วตวนอันนี้ได้มากขึ้นเนะมื่อก่อนเนี้โอ้ขาดอันนั้นไม่ได้อันนี้ก็ขาดเมื่อได้ต้องมีอันนู้นอันนี้อันนั้นตอนหลังมาเราเริ่มวางเฉยได้ว่าเออไม่มีบ้างก็ได้นะไม่ต้องใช้บ้างก็ได้ เคยใช้ของแต่งตัวแบบนี้เคยใช้เสื้อผ้าแบบนี้เสื้อผ้าที่เคยมีหลายชุดเริ่มน้อยลงใช่ไหมเริ่มรุนหรูบางคนเข้าใจธรรมะเอาไปบริจาคให้บริจาคสามชุดด้วยงั้นแต่ก่อนมี30ชุดด้วยงั้นบริจาคโอ้โหต้องเสียค่าดูแลเสียค่าซักเสียค่าตากเสียค่าอบเสียโอ้อะไรหลายอย่างหลังจากไปปฏิบัติธรรมมาเนี่ยมันเริลมเห็นว่าสาระมันคืออะไร อาสาระมันคืออยู่ได้นึกถึงพระในชุดเดียวเนี่ยไปได้ทั่วโลกเลยเนี่ mm hmm. ักเจวันครั้งอย่างเงี้มันก็เลยว่าเออสบายพระก็เลยทําอะไรได้เยอะกว่าใช่ไหมเพราะไม่ต้องมายุ่งกับเรื่องจุกจิกเหล่านี้มากมายอ่าแต่วันไหนที่ทานอาหารเยอะเนี่ยหูเป็นวันที่ทรมานมากเลยนะแต่วันไหนที่ไม่ต้องทานอาหารเน้นทานอาหารหน้อยๆเป็นวันที่สบายมากเรื่องที่เราเคย ติดในรถเนี่ยมันจักก็ไม่ติดละยังไงก็ได้ดัง น, นั้นเราก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เข้าใจที่เป็นสมาธินะเราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นที่ตั้งของไตรลักษณ์เที่นี่เราจะทำไงให้มันเป็นที่ตั้งของไตรสิขาก็าต้องเอาตัวตัวแปลคือตัวสติสัมปชัญญะที่เราฝึกเนี่ยเข้ามาเป็นตัวอาตาปีตัวอาตาปีหมายความว่ามันจะต้องเพียนด้วยสติสัมปชัญญะเท่านั้นนะ ถ้าไปเพียนด้วยวัดปฏิบัติต่างๆแปลกๆเนี่ยเขาเรียกว่าตะบะอย่าพวกฤาษีเขาทําใช่ไหมเรียกว่าระเหิดตะ บ, บะแต่เราไม่ได้บําเพ็ญตะบะเราบาเพ็ญอาตาปีคือเพียนด้วยสติสมัมปชัญะไม่ได้เพียนเพ่งเพื่อที่ให้เกิดพลังขลังศักดิ์สิทธิ์อะไรแต่เพียนเพ่งเพื่อให้จิตมันได้เรียนรู้ในสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นเองอะไรกําลังเกิดขึ้นใดตั้งอยู่อะไรกระดับไปได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆจนกระทั่ง ความรู้สึกแค่นี้เนี่ยเป็นนิสัยใหม่เราก็เป็นคนชอบเรียนรู้ปัญญาเขาเริ่มเกิดนะเรียนรู้ในสิ่งรอบรอบข้างคือเมื่อก่อนเนี่ยเราอยู่กับสิ่งรอบรอ บ, รอบข้างหลายๆอย่างเราไม่เคยเห็นความสําคัญของมันเลยนะต่อมาเมื่อจิตเขาเริ่มอยู่ปัจจุบันเราก็เริ่มเห็นความาสวยงามรอบ ร, อบรอบข้างจิตเราเริ่มนิ่งอยู่กับคนใกล้เคียงเริ่มมีความสุข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 อันนี้ไม่ใช่ดราม่าเนะเหตุการณ์จริงๆเลยนะเมื่อก่อนไม่เคยมีความสุขในการเดินเลยใช่ไหมรีบไปรีบมารีบทั้งรี บ, บกินรีบอะไรแต่ไม่มีความสุขแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกเออเรารู้สึกผ่อนคลายแล้วค่อยไปค่อยมาค่อยนั่งค่อยยืนค่อยเดินค่อยนอนชีวิตก็มีความหมายมีความผ่อนคลายเกิดขึ้นนะอันนี้ก็ค่อยบูรณาการกันไปเองในะหลังจากที่เราเข้าใจถูกนะแต่ทีนี้ตัวนี้มันเรื่องใหญ่แล้วนะเนี่ยเนี่ยเรื่องไฟเกิด อันนี้ก็นําเอาตัวปฏิสุบัดรูปกับนามเนี่ยว่าเราดูรูปเนี่ยมาถึงดูของ12อย่างนี้นะตั้งแต่อวิชามาถึงชลาบรารณะเนี่ยมันเกิดจาก12อย่างแค่นี้แหละแต่ที่เราจะดับมันบ้างก็คือเอาเอาตัววิชามาก็คือสติตัวต้นเนี่ยเปลี่ยนคํ า, าว่าอวิชาาเป็นคําว่าอาขัสติซะเป็นคำวิชาว่ามีสติซะแล้วตัวรูปของมันตั้งแต่วิสังขัน จนมาถึงตัวอริมารีองแปดก็เป็นรากฝอยทั้งหมดของตัวรู้ตัวรู้ตัวเดียวเนี่ยมันคอนเทนเอาทั้งหมดทั้ง10บสิบอย่างเนี่ยมันรวมมาเอาทั้งหมดอ่ะแต่เราก็มารักษาตัวรู้เพียงตัวเดียวไม่ต้องไปจําอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายไม่ต้องไปจำแต่ให้เห็นว่าเนี่ยคือมันมีที่มานะตัวรู้ตัวเนี่ยไม่ใช่มันอ่ามาโดยไม่รู้แต่มันมีที่มาที่ไปข้างมันเนี่ยมันเป็นวิสังขารคือเป็นตัวรู้ที่ไม่ต้องปรุงแต่ง ม่นเป็นตัวยานคือตัวรู้ที่รู้เข้ามาที่ตัวแล้วก็รู้ที่ไปที่มาเรื่องปุเพนิวาสนุญาณรู้การเคลื น, ก า, ก, า ก, นการไว้การเกิดกำดับมันมีแต่ละเวลารู้วิธีที่จะเอาความสบายไม่สบายออกจากใจคืออสวัคไกยานรู้ในเรื่องคติปัญซีถึงได้แจงรายละเอียดไปว่างแล้วนะรายละเอียดเหล่านี้ทั้งหมดนี่เราเรียกว่านามนะเรียกว่านามคือมันเป็นความรู้สิตัวเกิดก็คือตัวถ้าเกิดที่เกิ ด, เ, กดเรื่อง อ, องะ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 บอให้รู้ลูกนามไม่เห็นมีอะไรมันมีทั้งเยอะแยะจนเรามองยัมงมองไม่เห็นเท่านั้นเองเนียนามก็มีทั้งสิบกว่าอย่างเนี่ยมันไม่มีที่ไปที่มาเสร็จแล้วก็มาทําเป็นสังสารวัชรฝ่ายเกิดทุกข์เนี่ยเราก็มาเขียนเป็นกราฟอย่างนี้มันวนก็อย่างเนี้ยวันๆก็อยาวนอย่างเงี้ยจิตของเราครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันก็หมุนติ้วเลยนะเป็นเป็นจักเลยนะเพราะน่าจะเห็นว่าท่านสมมติของอริสสีออกมาเป็น นาฬิกาสี่ก้อนอ่ะใช่ไหมตัวนาฬิกเป็นสัญลักษณ์ของปัญญาก้อนที่หนึ่งถืออะไรนะคือสังใช่ไหมก้อนที่สองถือคาถาก้อนที่สามถือสังเออก้หนึ่งถือจักรเด็ก้อที่สองมือที่สองก็ถือคาถาก้อนที่สามถือสังก้อนที่สี่ถือตรีศูนอ่า อันนั้นคือว่าจากักเขาหมายถึงตัวสังสารจักคือมันหมุนไปจิตของเรามันหมุนไปเพื่อให้เกิดทุกข์ตลอดเวลามันหมุนไปทางตัวอวิชัยนี่นะเหมือนจักที่ปั่นหัวตลอดเวลาผู้ปวดหัวปวดหัวไม่คว่าถูกจักมันปั่นอยู่แล้วนะจักคือความคิดมันปั่นหัวเราปวดหัวปวดหน้าปวดตาปวดร่างกายอะไรเงี่ยมันก็จะมีผลปั่นให้เกิดแรงขับนะตัวสังสารจากัก แล้วเกิดผู้เกิดแหละเพราะฉะนั้นในแต่ละครั้งที่เราขาดสติความคิดเราจะหมุนติ้วไปอย่างนี้แหละเรียกว่าสังสารวัฏหมุนไฟเบอนท่องเที่ยวในในโลกของความคิดว่า ง, งั้นเถ อ, อะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็คือตัวจักรซนะีฟันมันนะทั้ง12อย่างนะทั้งหมดขาสติแต่ละครั้งมันจะหมุนติ้วทีเดียวออกมาเป็นความคิด พอได้สติปับ๊บความคิดหยุดจากนี่คืหมุนกลับอ่าหมุนกลับเป็นอะไรทีนี้พอดูหมุนหมุนกลับบ้างหมุนกลับเอ๊ตัวนั้นอยู่ไหนน้องเออตัวนี้ไงพอหมุนกลับมามันเป็นตัวคุณใช้ตัวสีเหลืองนี่ไม่ชัดเลยนะทํามาจากรเจ้าแม่ข้างล่างคนให้สีนี่อนี้เพื่อมาแก้ที่หลังให้สีไม่ถูกนะไอหนูแล้วดาวันเธอทําแล้วเหรอน ะ, อะไม่ เออตัวนั้นชัดเนาะเอ่อตัวนั้นชัดกว่า น, นี่เป็นธรรมจักรเป็นฝ่ายดับเป็นนิโธธรธตะวานเพราะนั้นเรียงตอนแรกผมก็เลี้ยงไม่ถูกเราเอาเลียงว่าเอ่อเราเริ่มต้นด้วยข้างบนนะต้นด้วยปัญญาคือต้องมีสมาธิฐิซะก่อนแล้วก็ลงมามีสมาธิแล้วก็ลงมามีศีลมมนในฝ่ายเนี้ยพอศีลสมาธิปัญญาสัมพันธ์ก็อยากถูกต้องก็เกิดยอดทั้ง2ยอดคือสมมายานกับสมาวิมุติ สมาญาณคือรู้ถูกต้องแล้วมันก็จะหลุดจากความคิดหลุดจากความขี้เหยียดไปเรื่อยๆหลุดจากความง่วงเหงาห้องนอนไปอย่างี้หลุดจกากพวกนี้ก่อนนะหลุดจากความเบื่อนายหลุดจากอะไรต่างๆจีห้องเราก็เริ่มนิ่งเฉยปฏิบัติไปวันแรกเบื่อมากๆเลยนั่งทําแบบนี้นะวันที่สองมาชักเบาวันที่สา ม, มาหลุดละ ว, วิมุติไปทีละอย่างสองอย่างไม่ใช่วิมุตทีเร็วทั้งหมดนะวิมุตมาแรกๆคิดถึงบ้านใช่ไหมตอนนี้ไม่ค่อยคิดถึงอ่ะเรียกว่าวิมุตเรื่องบ้านก็เกิดขึ้นละ คิดถึงอาหารที่อร่อยๆมันก็วิมุตติปทียองสองอย่า ง, างสัมมาวิมุตติก็ค่อยเกิดสัมมายานก็คือเกิดไปก็นิพพานเล็กๆก็ค่อยเกิดขึ้นมาตามลำดับมันก็เกิดทุกวันตลอดเวลานไะฟดับแต่มันเกิดทีนิดน่นดเหมือนยอดไม้อ่ะมันค่อยผีใบขึ้นมาทีละใบสองใบขึ้นมาไปเรื่อยๆจากนั้นเองในมัสมีองแปดสมาทิฏิกับสมาสังกัปปะเอามาก่อนนะเนี่ยภาคปฏิบัติปัญญาต้องมาก่อนนะแล้วก็ ตามด้วยความจริงปัญญาแล้วมันต้องไปศีลเนี่ยถึงจะถูกใช่ไหมแต่นี่เป็นเอาสมาธิะศีลศีลไปสมาธิปัญญาศีลสมาธิตามหลักของเรียนคือตัวสมาธิที่สมมาสภาวะเป็นปัญญาใช่ไหมสมาวิจารสมากรรมตะสมาอาชีวะเป็นศีลแล้วสมาวมสมาสติสมาธิเป็นสมาธิสมาธินี้ไว้อะ คือที่หลังนะอันนี้ก็เป็นเราทำไมถึงไม่ทำเป็นวงกลมทำไมถึงทำเป็นพีระมิดคือเจดีไงอ่ามันมีเริ่มต้นเรามีที่สุดแต่ถ้าเป็นวงกลมมันมีเริ่มต้นที่สุดไหมไม่มีนะมันหมุนตลอดเลยความคิดอะแต่ถ้ามีสติแล้วความคิดมันจบไงจนจบด้วยลักษณะที่เป็นเหลี่ยมเราจึงไม่ทำเป็นวงกลมแต่เราก็ม า, าเป็นธรรมจักรนะ แต่ในลักษณะนี้คือทําเป็นพีระมิดคือยอดของเจดีย์สูงสุดนะดังนั้นเราสัญลักษณ์ในพุทธศาสนาเราสร้างเจดีย์เยอะๆก็เป็นสัญลักษณ์ของการฝ่ายนิโธรธารวานันคือทุกมันเริ่มต้นแล้วก็มันจบแต่ในแง่ของสังสารวัตมันไม่มีการเริ่มต้นและจบมันหมุนตลอดพอพะพุทธเจ้าเกิดขึ้นท่านก็หมุนกลับหมุนกลับเรียกว่าทำไม่จกักถ้าหมุนไปตามใจของเราเรียกว่าสังสารจากักคือคิดไปเรื่อยๆแต่พอเราหยุดคิดปั๊บมันหมุนกลับ นะเพราะฉะนั้นนะวิธีการอันนี้หลวงพ่อเคใช้เอามาใช้กับโซลารเซลล์ใเวลาเราติดวิเตอร์ใช่ไหมเราใช้ไฟข้างนอกมันหมุนไฟนี้พอเราใส่ไอโซลาเซลล์เข้าไปมันหมุนกลับะนะมันก็นหมุนกลับไปกลับมาเดือนหนึ่งก็ไม่ต้องเสียเงินนะู้น <laughs> <laughs> พอไฟมันชาร์จมันก็เข้าไปในสายแทนที่เราใช้ไฟมันก็กลับคืนไปหมุนแทนอย่างงี้นะ หลักการคือชาร์จไฟซุร์เรเซลโค ใ, ในสายไฟฟ้าหลวงนะฮะทีไฟฟ้ามาเห็นเข้าบางแห่งมันรู้เรื่องก็เลยเอามิเตอร์ไอ้ดิจิตอลไปติดปั๊กมันมีแต่หมุนออกมันไม่หมุนกลับแล้วที่รับแทะแสงเทียนเนื้อมาไปแช่งให้เขาแต่ควาจริงมันได้ผิดกฎหมายอะไรนะแต่เขาบอกอยาจะได้ไฟก็ชอบไปใช้ <c oughs> อันนี้เรื่องนอกเรื่องนะอะกลับไปไต่สิขา แล้ตอนนี้เรามาถึงตรงนี้ตรนี้ก็คือมรณะกับอมาตะทำเอมาค่อใส่กันมาลูกน้ำเหมือนกันรูปเนี่ยมันจะนําไปสู่มรณะคือตายลูกเดียวแต่น้ำเนี่ยมันนําไปสู่อมาตะคือมันไม่ตายนะเพราะฉะนั้นคําว่าตายหรือมรณะในความหมายของภาคปฏิบัติหมายถึงความโศกเศร้าเสียใจความไม่สบายใจความทุกข์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 ความคิดเก่ากลับไปกลับมานี่เขาเรียกว่าเป็นการเคลื่อนที่เฉยความคิดมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาก็ความคิดเก่านั่นแหละอย่างนี้ยังเป็นรูปอยู่เพราะนั้นนามมารูปความคิดมันก็เลื่อนไปเลื่อนมาแต่ถ้าเราเป็นนามล้วนๆมันดับแล้วก็ดับเลยมันไฟมันดับเขาจะไม่กลับมาเพราะนั้นลักษณะที่จะเกิดการดับแบบไม่กลับมาก็ยอดหนึ่งมีอภิญญารู้ยิ่งกว่าเดิมนะไม่ใช่รู้อยู่เดมิดมๆแล้วก็สัมโพธยะพร้อมที่จะรู้เสมอเป็นแบบสัมปชัญญะ 3. รู้แล้วจบอันนี้านายะคือรู้แล้วอย่าไปคิดต่ อ, อพอรู้ว่าคิดก็ไปต่อรู้กําหนดรู้คิดดับก็ดับนะแต่ที่จะดับอย่างนั้นถ้าบมดหนึ่งต้องสลับต้องสละมันเจ้าโคสละกปฏิคุณสลักทิลล้งเลยมุติปล่อยวางบางอย่างบางเรื่องปล่อยวางอนาราลิวอย่านํากลับมาคิดอย่ามาอะไรอววรกับมันอีกกับเรื่องพิกกอเก่าเนี่ยในลักษณะนี้ก็มันก็จะเป็นเหลือแต่นามล้นล้นแหละถ้าเราทําตามหลักอันนี้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 หันไม่ใช้ความรู้เราไม่เรียกว่าอาดีตในโคตรเราเรียกว่าตีตังสยานกําหนดล่วงหน้าว่าเราจะทําอะไรว่ากําหนดไว้ล่วงหน้ า, ร, า, ร, า, นนารู้ล่วงหน้าเขาเรียกว่ารู้ล่วงหน้ารู้ล่วงหน้าเป็นอนาคตตังสยามไอสิ่งที่ผ่านมามันมีข้อผิดพลาดต้องนํามาแก้ไขปรปับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นว่าข้อผิดพลาดของเราที่ทําให้เราเป็นทุกข์เปร้อนมาตลอดชีวิตเนี่ยเพราะอะไรสํารวจตรวจสอบแล้วแก้ไขโดยเสียใหม่นี่คือประโยชน์ของอดีต เพระืออัติจังสยานถ้าคิดในแง่มิติที่ว่านำมื่อเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้นกลายเป็นยานกลายเป็นปัญญาแต่นามาคิดโดยที่ไม่มีการแก้ไขปรับปรุงนามาคิดซ้ำๆซากๆตัวนี้เป็นตัวสมุทัยให้เกิดทุกข์นะเป็นความคิดนันความคิดปัญญาต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ว่าเรานํามาใช้ได้ไม่ได้ความคิดใดที่นํามาใช้ไม่ได้แล้วนํามาคิดอีกเป็นตัวสมุทัยของทุกข์ แต่ความคิดใดที่มันนามาใช้แล้วมันแก้ปัญหาได้ตอนนี้เป็นนิโรธแก้ไขปัญหาได้คือการดับเป็นยานปัญญาเพราะฉะนั้นยานก็มียาส3ก็คือตัวปุเพนิวาสานุสิญยาจริงๆแล้วคืออดีตังสยามคือรู้แนอดีตแล้วจูตูปปารยานก็คือปัจจุบันรู้ปัจจุบั น, ก, จจบนก็เรียกปัณณ์สัญญาอสวรค์ยานที่เราจะต้องทำให้หมดต่อไปเรียก ว, ว่าอนาคตังสยาม น, นั่นเองนะยานทั้งสม คือรู้อดีตปัจจุบันอนาคตชัดเจนแล้วแล้วจะกําลังทําอะไรแต่ว่าท่านบอกว่าให้ตั้งจิตให้อยู่ปัจจุบันเพราะว่าอาดีตอนาคตนั้นเป็นเพียงเครื่องมืออามาใช้บางครั้งเหมือนก็เดินทางไปฉายแล้วก็จะส่งดูเฉพาะปัจจุบันใช่ไหมแต่บางครั้งเราก็ส่องดูหน้าดูหลังทีหนึ่งานานครั้งแต่ปัจจุบันต้นตองดจดจ่ออยู่ตรงนั้นแต่มีเสียงอะไรเพื่ปับ๊บแต่ข้างหน้าก็ส่องดูนิดหนึ่งก็กลับมาปัจจุบันเสียงใครมาข้างหลังส่องดูปั๊บดู กลับมาปัจจุบันนี่คือสติเราใช้อย่างนี้นไม่ใช่ว่าถ้าหากว่ามันไปส่องโดยไม่จําเป็นเรียกว่าความคิดคือกิเลสแต่ว่าไปส่องโดยจําเป็นเรียกว่าอยาอะฉะนั้นเองในการเจริญสติเราก็จึงมุ่งมาสู่ตัวรู้ปัจจุบันนะให้ชัดเจนไว้เสมอและปัจจุบันในลักษณะที่รู้คือเห็นตั้งแต่หัวจนเท้าเท้าจนหัวว่ามันมีอะไรอยู่ไว้มีทุกข์อยู่หรือมีสุขอยู่ มีความแปรปรวนอยู่หรือมีความอะไรอยู่สํารวจตรวจสอบทุกอนุของของส่วนทุกส่วนของร่างกายเวลานอนหลับลงปั๊บเนี่ยก็อย่าไปนอนคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เอาสติ ข, ของเรามาสกแกนดูร่างกายทั้งรอบหลับเลยเนี่ยแต่ไม่จะ่คิดฟุ้งซ่านนะฮะคือสกแกนดูความรู้สึกอ ะ, อะลำดับขึ้นมาเรื่อยๆนะดูไปเห็นเป็นความรู้สึกล้วนๆอย่าไปจินตนาการไปสร้างอิมเมจขึ้นมาว่าเออนี่เรานอนอย่งนี้ไม่ใช่นะ แต่ให้ดูแต่ความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งเค่งตึงแต่ถ้าหากว่าจิตมันไม่พร้อมที่จะเพจะไปบังคับให้มันหลับก็ดูไปเรื่อยๆมันถึงเวลาหลับมันก็หลับเพราะการหลับเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้แต่การที่เราสามารถมีสติสํารวจตรวจสอบเนี่อันนี้เป็นธรรมเราทําได้นะแต่ว่าการหลับไม่หลับที่เราต้องการมันเป็นเรื่องของอธรรมชาตินะเะนั้นเองเราผ่านมาวันนี้เป็นวันที่สองเราก็เริ่มได้อารมณ์ละจิตของเราก็เริ่ม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 ให้รายละเอียดลึกลงไปเท่าสามวันเนี่ยเพื่ออะไรพราะอีกสามวันข้างหลังเนี่ยเราต้องไปทําเองแตส่วนไหนคนไหนทําได้ไม่ได้ถูกไม่ถูกเพราไปตรวจสอบเอานะเพระนั้นในการเปิดอบรมแต่ละครั้งเราก็ให้ความสําคัญเพราะว่าเราอาจจะไม่มี ม, ม, มีเวลามาพบันอีกเพราะอะไรเพราะหลวงพ่ออาจจะตายไปหรือโยมอาจจะตายเจ้าหลวงพ่ออย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเมื่อมาพบก็เราทําให้มันดีที่สุดแล้วเราจะได้ไม่เร็วเป็นหนี้กันนะนะ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 แล้วมันยากแค่ไหนก็ล้องทำดูใเรื่องตายเรื่องเจ็บไม่ใช่เรื่องง่ายใครก็ทำได้คนไม่มีความรู้ก็ทำได้นะมันเดี๋ยวก็ได้ตายเดี๋ยวก็ได้ป่วยฉะ น, นั้นเองก็ในช่วงปฏิบัติขอให้ตั้งใจสำรวจนะะการสำคัญคือสังเกตปัญหาคือชอบนั่งแช่แช่เราก็จะมีอาการติดสงบติดสุขพอเราคุ้นเคยําแบบหลับตา ม, มาก่อนเนาะพอทาไปเหนื่อยก็นัง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 ถ้าหากว่าตัวหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเท่ากับเราเนี่ยถ้ามันทําอะไรได้เหมือนเราทุกอย่างเนี่ยยมคิดว่าราคามันจะถูกจะแพงโอ้โหมหาศาลเลยนะราคไม่รู้กี่สิบล้านกี่ร้อยล้านนั่นแนหะแต่ว่าตัวแล้วจีรตันักวิทยาศาสตร์ยังทําบอกมาไม่ได้อันนี้ทํามาไม่ได้เพราะฉะนั้นชีวิตนีมีราคาราคาสูงสุดเป็นสิ่งมหเศษชั้นที่สุดแต่ทําไมเราใช้มันในราคาที่ถูกมากใช้มันไปกินเหล้าใช้มันไปกินยาใช้มันไปเล่นไพ่อย่างเงี้ยมันไม่คุ้มกันเลยใช่ไหม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 สุนทรธรรมแล ร, รกเปลี่ยนไอประสบการณ์ความก้าวหน้าในาการปฏิบัติสองถ้าไม่มีเรื่องอย่างนั้นก็นิ่งเสียนะก็นิ่งเสียท่านบอกว่าถ้าไปนั่งสนทนากันบอกการไปนอนหลับยังดีกว่าท่านวนะ่า <c oughs> <c oughs> การในใ น, นั่งคุยกันในเรื่องไรสาร า, านี่ยบอกว่าถ้าไปนอนหลับเสียดีกว่าแต่เร า, าตาคนไม่เ ส, สริญกันนอนการนอนเป็นเรื่องของคนหลงท่นว่านฮะเรืนะ่องคนหลง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 เพื่อส้มแซมให้คอมตัวนี้ฮาร์ดแวร์ตัวนี้ใช้ได้นา น, น, นหน่อยน ะ, อ, ะอย่าให้มันต้องตายไปเพราะความประมาทของเรานะะนั้นก็น่าจะพอเนาะมั้งเนาะจะได้ไป น, นอนกันละแต่วันนี้ฉันเยอะไปหน่อยง่วงนะอาหารพิเศษเลยวันนี้ก็ขออนุโมทนาท่านเจ้าภาพที่เป็นเจ้าภาพอาหารวันนี้แล้วก็ขออนุโมทนาบุญของญาติโยมที่ได้มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่วิเศษที่สุด คือคําสอนอเรื่องของมรรคผลนิพพานซึ่งโอกาสที่เราจะได้ศึกษากันอย่างนี้เป็นเรื่องยากพอให้ตั้งใจให้มีศรัทธาให้มีปัญญาในการศึกษาสามารถที่จะเอาสิ่งที่เราศึกษาในวันนี้เป็นที่พึ่งอันสูงสุดของชีวิตได้ด้วยการทุกคนทุกท่านเถิดแล้ากราบพระพรหมการ